มีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลํา ด, ดับจนกระทั่ ง, ทงถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นพื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงเรื่องสมาธิตามขั้นอย่างสมาธิตาม ข, ขั้นของปัญญาตลิดจนกระทั่ ง, ทงถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุป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 ชนิดแล้วนั่นก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแต่ก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออมายอย่างหน่าอัศจรรย์นี่อำ น, นาจแห่งธรรมแสดงเป็นที่แล้วอํนนานาจของกิเลสแสดงความมืดดำแต่เราเห็นอยู่ทุกอยูทุกวันทุกค่ก๊าดเวลาความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้ น, า น, นาการธรรมะกิเลสแม้ถนัด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 ยิ่งผมนักับชื่อกับนามมันเอืละ่ะเนี่นยนั่นคือหมดตั้หาทุกข์เพราะความเพียนเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เเลินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลินให้รุ่นเริงหาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลําบากในการมอมเพลินเกิดขึ้นมาเป็นความเบา อ, อกเบาใจ